ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องลูกนี่บุญลูกนี่บาปโดยสมณะทราบซึ้งสุริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่ส5ห้ามิถุนายน2546นณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณนะบัดนี้ เดี๋ยววันนี้คิดว่าอยากจะมาพูดถึงเรื่องนี่บุญนี่บาปพอดีเมื่อไม่กี่วันนี้พอดีได้พูดให้พวกเราบางคนฟังเพราะว่าบางคนเนี่ยยังเข้าใจปนๆเปะๆกันระหว่างนี่ที่เป็นบุญกับนี่ที่เป็นบาปคือคือคือไปเข้าใจในทำนองเดียวกัน ทั้งทงดีความจริงแล้วมันมันอาจจะมีส่วนของความเป็นนี่ด้วยกันแต่มันต่างกันไม่เหมือนกันเพราะนั้นเรื่องของนี่เนี่ยนะในในที่นี้เนี่ยจะพูดถึงความเป็นนี่ในลักษณะของความเป็นลูกนี่นะไม่ใช่เจ้านี่นี่นี่มันมีสองอย่างนะถ้าเป็นลูกนี่ก็หมายถึงว่ า, เ, าเรา ถ้าถ้าพูดถึงทรัพย์สินเงินทองเนะีเราไปยืมเงินทองใครเข้ามาเราก็เป็นลูกหนี้ส่วนคนที่ถูกเรายืมก็เป็นเจ้าหนี้นะถ้าไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองควนี้อาจจะเป็นเรื่องของเนี่ยกรรมเรื่องที่เราเนี่ยเกิดไปทำอะไรกับใครเข้าไว้ถ้าทำในด้านที่ที่ไม่ดี ไปเบียดเบียนเขาอย่างเงี้ยไปทำร้ายเขาปรากฏว่าอันเนี้ยเราก็เป็นลูกหนี้แล้วเขาก็เป็นเจ้าหนี้ของเราซึ่งเราก็ต้องใช้ต้องใช้ไม่มีทางที่จะหนีพ้นไปได้เลยถ้าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่านี่บาปแต่ถ้าสมมติเป็นหนี้บุญคนนี้อย่างเช่นคนอื่นคนนี้คนอื่นนะไม่ใช่เราแล้วนะ คนอื่นเนี่ยเขามาทําดีกับเราหรือว่ามาช่วยเหลือเราบางทีเราอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าทุกข์ยากลําบากอะไรอย่างนี้ปรากฏว่าก็มีคนมาช่วยเหลือเราใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ยเขาก็เป็นเจ้าหนี้เหมือนกันเราก็เป็นลูกหนี้ถูกไหมแต่อันนี้เราเราติดหนี้เขาในลักษณะที่เราเป็นหนี้บุญคุณของเขาละเนี่ยใช้คําว่าหนี้บุญคุณ ซึ่งเราก็จะต้องดีไม่พ้นอี่เหมือนกันก็ต้องตอบแทนหรือว่าต้องชดใช้เขาเหมือนกันแต่คราวนี้ต่างกันแล้วเห็นไหมว่าใช้นี่อีกอันนึงเนี่ยใช้นี่บาปแต่อีกอันนึงเนี่ยใช้นี่ในลักษณะที่เป็นบุญซึ่งอันนี้อรรถมาถึงบอกว่าถ้าบางคนเนี่ยอพอบอกว่านี่บอกโอ้นี่เวีนนี่กรรมแล้วก็ไปคิดรวมๆกันนี่เลยกลัวไปหมดเลย กลายเป็นกลัวไปซะทั้งหมดคือคิดว่าเหมือนกันไปหมดวันจริงๆแล้วมันต่างกันอยู่ถ้าเป็นนี่บาปเนี่ยเ อ, ออนี่น่ากลัวถูกไหมเพราะว่าจะต้องชดใช้คืนเขาถูกหรือเปล่าอย่างเช่นเราไปทําเลวทําร้ายอะไรไว้อย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาทวงคืนเนี่ยบางทีเราต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวต้องเสียทรัพย์หรือว่าต้องมาเจ็บป่วยได้ไข้อะไรต่างๆเสียอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็ลําบากแน่นอนแหะเพราะฉะนั้นเอ อ, อันนี้น่ากลัว มันใครรู้อย่างเงี้ยอย่าไปทําบาปกรรมอะไรจะได้ไม่ต้องไปเป็นลูกหนี้ของใครแต่ตอนนี้ถ้าหนี้บุญเน่ยมีคนมาเกื้อกูลมีคนมาช่วยเหลืออาจจะช่วยเหลือทางไหนก็แล้วแต่นะทางด้านทรัพย์สินเงินทองหรือทางด้านมาแนะนําสั่งสอนหรือว่าให้ความคิดเห็นให้คําปรึกษาอะไรซึ่งอย่างเงี้ยเขาก็ช่วยเราจริงๆ เราก็เป็นหนี้บุญคุณเขาแม้ว่าบางคนนี่จะจําได้บ้างจําไม่ได้บ้างก็ตามแต่ต้องใช้หนี้เขาแน่นอนเลยไม่มีทางเรียกว่าเราจะบอกว่าเอ้ยเขาช่วยเราแค่นี้นี่แหมนิดหน่อยเองไม่ไม่ต้องมีปัญหาอะไรหรอกไม่ต้องใช้ก็ได้แต่หนี้ทั้งหมดนี้ไม่มีหนี้ศูนย์ ในโลกนี้ไม่มีหนี้ศูนย์หนี้เรื่องเวรเรื่องกรรมต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะกรรมที่เป็นบุญกรรมที่เป็นบาปต้องใช้หนี้ทุกรายไม่ว่ารายไหนก็รายนั้นแม้แต่อันนี้พูดไปบ่อยแนละ้วแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ตามที่มาท่านก็ยังต้องใช้หนี้เลยจะเป็นหนี้บาปก็ตามจะเป็นหนี้บุญก็ตามพระเจ้าท่านก็ต้องใช้คืนทั้งหมด เพียงแต่ว่ามันมาตามช่วงจังหวะมาตามช่วงเวลาว่าเป็นช่วงไหนเวลาไหนเพราะทั้งนี่บุญทั้งนี้บาปนี่โอ้โหมันเยอะแยะมันมากมายมันมาหาศาลเหลือเกินจนก่าทั่งบางทีเนี่ยจดจำไว้ไม่ไหวหรอกใส่คอมพิวเตอร์ก็ไม่รู้คอมพิวเตอร์จะพังหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าข้อมูลมันเยอะเหลือเกินจนบางทีเนี่ยเราไม่สามารถจะจดจาได้เลยแต่ให้รู้ไว้ว่า โดยหลักการของศาสนาพุทธแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้เนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยท่านตัดเองเลยวเนี่ยเนี่ยเราไปทำบาปอย่างนี้ไว้เราก็เลยต้องมาชดใช้แม้ท่านาปฏิบัติธรรมจนกระทั่งท่านบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยังต้องใช้คืนเลยคิดดูเอาละกันเพราะฉะนั้นคนอื่นๆนี่แทบไม่ต้องพูดถึงเลยใช่ไหม ก็ขนาดผู้เจ้าเนี่ยกว่าจะสะสมคิดดูสิท่านต้องสะสมบุญบาร ye, มีใช่ไหมแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชาติอ่ะกว่าจะมาเป็นผู้เจ้าเพราะนนั้แต่ละชาติเนี่ยส่วนใหญ่ก็ก ต, <ม> ต, ต้องสะสมดีเอาไว้เยอะเลยใช่ไหมแต่ไม่ดีก็ต้องมีด้วยถ้าท่านยังไม่ยังไม่เก่งถึงที่สุดเนี่ยก็ต้องมีใช่ไหมและในขณะที่ดูสิท่านก็กค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแต่พอเกิดมาแต่ละชาติแต่ละชาติก็ยังต้องใช้ต้องใช้ ต้องใช้คืนวันนี้เวนนี่กรรมเนี่ยโอ้โหมันสูนยากแม้แต่นี่บุญคุณก็ตา ม, มสูนยากใช้กันจนตายอะ่ะก็เคยบอกบ่อยๆว่าจะมีสูนย์ได้กรณีเดียวเท่านะั้นที่จะทำให้หนี่ต่างๆเนี่ยทั้งนี้บุญนี่บาปสูนย์ได้ก็คืออ่คือปริญานิพพานไปคืออย่ากเกิดอีกเท่านั้นเอง เพราะว่าถ้าเกิดอีกมาเป็นพุทเจ้าก็ยังต้องใช้นี่อย่างคิดดูสิถูกไหมเพราะจะให้นี่ศูนย์นี่มีอยู่อย่างเดียวนะคืออย่ามาเกิดเป็นตัวตนบุคคลทั้งคนทั้งสัตว์เนี่นะอย่ามาเกิดถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นต้องเริ่มเริ่มใช้นี่เลยเกิดเมื่อไหร่ก็เริ่มใช้นี่เมื่อนั้นเพราะบางคนดูสิใช้นี่ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เลยใช่ไหมตายยังแต่อยู่ในท้องแม่เลยอ่า บางคนอาข้อออกมาสดๆร้อนๆก็อ้าวบางทีก็ใช้นี่แล้วเพราะฉะนั้นอ่ะบอกแล้วถ้าเกิดมาเป็นตัวเป็ น, ป น, ปนตนเนี่ยต้องใช้นี่ทันทีเลยลูกนี่ที่เป็นนี่เว น, นี่กรรมนี่ไม่มีการหนีนี่ได้เลยไม่ว่าใครใครในโลกนี้ก็ตามเสร็จแลแ้วตอนนี้นะพ อ, พอเราเข้าใจตรงนี้แล้วว่าโอ้โหไม่มีทางอื่นเลยสิถ้าอย่า ง, ง น, นั้นเนี่ มีอยู่ทางเดียวอ่ะคือเราก็จะต้องสะสมบําเพ็ญบารมีของเราเนี่ยให้มากมากมากมากจนเราบรรลุธรรมจนเราปรินิพานไม่กลับมาเกิดอีกเท่านั้นน่ะถึงจะหมดหนี้ไปได้แต่ตอนนี้ เ, เบื้องต้นแล้กี้นี้บอกให้ฟังว่ามันมีหนี้บาปกับมีหนี้บุญเพราะฉะนั้นหนี้บาปเนี่ยโอ้โหต้องกลัวให้มากๆเพราะอย่าไปทํา ที่เราไปทําบาปกรรมเนี่ยมันก็มีอยู่สามทางเท่านะโดยส่วนใหญ่ก็คืออะไรกรรมสามก็มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมใช่ไหมที่จะทําเป็นทุจริตก็ตามถ้าทําทุจริตก็เป็นบาปเป็นอกุศลก็เป็นหนี้บาปไปซ ะ, ะเพราะฉะนั้นหนี้สามอย่างนี้อย่าไปทําเด็ดขาดเป็นทุจริตตา่างๆ แม้แต่พู้ด้เจ้าเองเนี่ยนะจริงๆไม่ใช่ว่าท่านอยากจะทำนะในอดีตชา ต, ติต่างๆนะแต่ปรากฏว่าบางทีเนี่ยก็พลังเผลอบ้างบางทีก็เป็นเด็กบ้างหรือว่ายังไม่เข้าใจธรรมะพอนะในชาติก่อนๆโน้นปรากฏว่าบางทีก็ไปทำผิดๆเอาไว้แล้วก็ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชาตินะที่ พอมาเป็นผู้เจ้าแล้วก็ต้องมาใช้ช่วงที่เป็นผู้เจ้าอยู่เนี่ยคุณคิดดูสิเพราะหลายคนเนี่ยเคยเคยชอบบอกว่าโอ้โ ห, โโหเขาเนี่ยเขาเกิดมาเท่าที่เขาจําได้เขาทําดีเขาไม่เคยไปทําเลวทำร้ายอะไรกับใครเลยแล้วทําไมเขาจะต้องซวยอย่างนี้พูด ง, ง่ายเนี่ยถ้าถ้าใครศึกษาเรื่องของวิบากกรรมโดยเฉพาะเรายกตัวอย่างเจ๋งเลยเอาชนิดแบบว่า เอาพระพุทธเจ้าเลยอย่างเงี้ยมายกตัวอย่างเนี่ยจะเห็นชัดว่าคิดดูสิระดับพระพุทธเจ้านะแล้วท่านสะสมมาบุญบารมีขนาดไหนแล้วท่านยังต้องใช้อ่าเราเราจะลองยกตัวอย่างกายกรรมนะเสียงที่ผู้เจ้าท่านตัดไว้เลยในพระไตรปิฎกอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องว่าอ่อันนี้มีในพระไตรปิฎก เล่มที่32มนสะิบสองพุทธาประทานคือพระเจ้าท่าจะตรัสเองเลยเรื่องนี้นะท่านบอกว่าเนี่ยอย่างเช่นในการก่อนเราเป็นเด็กเล็กเล่นอยู่ที่หนทางใหญ่ได้พบเข้ากับพระปัจเจกับพุทธเจ้าพราะองค์หนึ่งเราได้จุดไฟเล่นเผาขวางทางท่านเอาไว้ไ ม, ไม่ไม่ได้ไปนึกอะไรที่มันมันอะไรอะ่ะ จะไปทำร้ายจะไปอะไรนะนี่แค่เป็นเด็กแต่ โ, โหแล้วที่พูะเจ้าท่านเล่าท่านตรัสให้ฟังอันนี้คิดดูสิว่าเราว่าในการก่อนเนี่ยไม่รู้เมื่อไหรเลยนะโอ้โหไม่รู้จะนานถึงขนาดไหนอัตมาถึงบอกไม่รู้จะเป็นร้อยชาติพันชาติหรือเปล่าที่ท่านตัดเล่าอันเนี้ยบอกว่าเคยเป็นเด็กเล็กๆเสร็จแล้วก็เป็นเล่นเนี่ยเผาไฟเผาอะไรต่ออะไรเล่น เสร็จแล้วก็ไปขวางทางของพระประเจกับพระเจ้าพระองค์หนึ่งเนี่ยก็แยเล่นแกล้งเล่นอะไรอย่างนี้โดยกายกรรมทำไปเนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยด้วยผลแห่งกรรมนั้นนี่เป็นลูกหนี้ของพระประเจกับพระเจ้าแล้วใช่ไหมเนี่ยไปทำหนี้บาปหนี้กรรมเอาไว้เสร็จแล้วก็เลยด้วยผลแห่งกรรมนั้นพระเทวทัตจึงชักชวนให้นายขมังธนูผู้ฆ่าคนตาย มาเป็นจำนวนมากให้มารอบฆ่าเรานี่พุทธเจ้าท่านเล่านี่นี่นี่ตอนเป็นพุทธเจ้าแล้วแล้วพระเทวทัตเนี่ยสั่งนายขมันขันดูที่ให้มารอบฆ่าที่ โ, โหอะไรนะให้คนนี้มาฆ่าเสร็จซ้อนให้อีกคนหนึ่งตามมาฆ่าไอ้คนที่มาฆ่าอีกทีนึงซ้อนซ้อ น, อนไม่รู้จังกี่ซ้อนเนี่ยคิดดูว่าเก็บเป็นทอดทอดทอดทอดทอดเลยนะแต่อันนี้พุทธเจ้าท่านก็นตัดเล่าให้ฟัง ด้วยพระ อ, องค์เองเลยว่าเนี่ยท่านไปทำกรรมว่าอย่างนี้ไปเผาไฟขวางทางพระบจเจกับพระเจ้าท่านก็เลยจะต้องมาเจอวิบากกรรมแบบนี้อันนี้ทางกายกรรมหรือนะเรื่องที่เรียกว่าเนี่ยในการก่อนเราเคยเป็นนายโคบาลต้อนฝูงโคไปเลี้ยงได้เห็นแม่โคตัวหนึ่งกำลังดื่มน้ำขุนมัวอยู่จึงตรงเข้าไล่ห้ามกั้นมันไว้ ไม่ให้ได้ดื่มน้ํานั้นด้วยผลแห่งกรรมนั่นเองแม้ในพบสุดท้ายนี้พบสุดท้ายก็คือพบของพระพุทธเจ้านั่นเองเราก็ต้องหิวกระหายน้ําไม่ได้ดื่มน้ําในเวลาที่ต้องการจะดื่มต้องเสียเวลาเนิ่นช้าอยู่เรื่องนี้อัตมาก็เอามาพูดให้พวกเราฟังบ่อยๆนะว่าเนี่ยท่านเคยไม่ยอมให้วัวได้กินน้ํา ใช่ไหมพอเห็นหน้ามันกุนขุนก็เลยอย่าไปกินเลยเพราะนั้นก็เลยไม่ให้กินแค่วิบากกรรมแค่นี้เองนะดูแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรกันนกันหนาเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยชอบคิดว่าไอ้เหลืองเลเ็กดึงน้อยแค่นี้ไม่มีอะไรหรอกรโอ้โหแกงอันนี้หน่อยไม่เห็นเป็นไรอย่านึกนะกณอย่านึกว่าไม่มีผลทุกอย่างมีผลทั้งนั้นวันถ้าใครไ ม, ไม่ไม่ศึกษาเรื่องวิบากกรรมเนี่ยจะไม่เข้าใจและจะไม่รู้เมื่อไม่รู้เนี่ย คิดว่าแหม่ต้องไปทุบตีเขาต้องไปฆ่าแกงเขาโอ้โหต้องไปอะไรรุนแรงกับเขาเลยนะถึงถึงถึ ง, ถงจะมีวิบากกรรมหนักหนั ก, น ก, นกมาหาเราแต่เนี่ยปรากฏว่าจริงๆอาจจะหวังดีด้วยซ้ำไปใช่ไหมอ้วัวมันจะกินน้ำก็โอ้ยน้ำมันขุนอย่าไปกินเลยนะ่ะไม่ให้มันกินไม่ยอมให้มันกิน อ, อาจจะไม่อันตรายหรอกนะแต่เพียงแต่ว่าน้ามันง่ายเหมือนกับ สมมตอาหารไม่สวยเลยไม่อร่อยดูแล้วเละเทะไม่น่าจะอระ่อยเลยอยา ก, กินเลยก็เลยไม่ยอมให้เขากินทั้งๆทีจริงจิงกินได้อย่างเงี้ยเพียงแต่รูปร่างหน้าตาของอาหารนั้นอาจจะดูไม่ดีนักเงี้ยเนี่ยบางคนเนี่ยชอบคิดอย่างนี้เคยเห็นไหมโอ้โหกล้วยน้ําบาห์โหดำๆเท้งนั้นเลยอย่าไปให้เขากินเลยยิ่งใส่บาตพระสังเกตไหม บางคนเนีม่มถ้าไม่สวยหน่อยดูไม่ดีหน่อยนะไม่ใส่เลยอดเลยพระใช่ไหมล่ะทั้งที่จริงๆกันไม่มีปัญหาท่านเอามาท่านกับชันได้ใช่ไหมมันก็ไม่เสียหายอะไรเนี่ยมันอาจจะดูไม่สวยหน่อยผิวไม่สวยบ้างอะไรไม่สวยบ้างแต่จริงๆฉันได้ฉันเพื่อยังกายนี่ให้ดำรงอยู่แต่เราเองหนังหักละ่ะเราเองเราไปคิด ไปอีกมุมนึงนู่นซึ่งแทนที่จะให้ท่านได้ฉันเลยไม่ได้บุญอันนี้เลยนั่นแหละวันเหมือนกันเนี่ยผู้เจ้าท่านก็เล่าให้ฟังนะว่าเนี่ยดูสิบ ว, วมจะกินน้ำท่านก็ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เสร็จแล้วท่านก็มีอยู่คราวหนึ่งไงที่ท่านก็เลยบอกพระ อ, อ น, นุ์ให้ไปช่วยตักน้ำว่าท่านกระหายน้ำมากเลยนะบอก อ, อ น, นุ์ไปตักให้หน่อยพระ อ, อ น, นุ์ก็บอกว่าไอ้น้ำตรงนั้นเนี่ย เกวมันเพิ่งผ่านไปเพราะน้ํามังคุณนะก็บอกว่าอย่าเพิ่งเลยพ <laughs> านนทก็เลยไม่ตักให้แม้ครั้งที่หนึ่งผู้เจ้าท่านก็บอกโอ้โหเราก็หายน้ํามากอาน น, นเธอไปตักให้เราขอเป็นครั้งที่สองพานนทก็ยังไม่ยอมไปให้ยังบอกว่าน้ํามังคุณเจอกระทั่งผู้เจ้าต้องพูดถึงสามครั้งพานนทถึงจํายอมไงถึงบอกอ้าวถึงไปยอมตักให้ พอไปตักแล้วก็อัศจรรย์ที่อ้าไอ้ลำธาร น, นั้นเกวียนร้อยเล่มพึ่งผ่านไปทําไมโอ้โหไม่ขุ่นเลยน้ำกลับใสก็เลยตักมาให้พูะเจ้าได้ดื่มได้เนี่ยพูะเจ้าเธอบอกว่าเนี่ยดูสิท่านก็เลยต้องโอ้โหหิวกระหายน้าอยู่นานกว่าจะได้ดื่มน้ำนั้นนี่นี่เป็นวิบากกรรมซึ่งบอกแล้วว่าเนี่ยก็ต้องใช่นี่เพราะบางคนเนี่ยคิดว่าอะไรเล็กๆ น, น้อยๆอะไรไม่มีปัญหาหรอก นะบางทีก็แกล้งนิดแกล้งหน่อยก็ไม่เปไ็นไรหรอกสนุกดีเอามีจริงๆนะบางคนชอบนึกอย่างงั้นเพราะว่ายัางไม่ได้ศึกษาแล้วก็ยังไม่เข้าใจเรื่องของวิบากกรรมต่างๆหรือแม้แต่เนี่ยเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังเอากรรมหนักๆเลยอย่างเช่นเนี่ยที่พวกเรามาพูดกันบ่อยอว่าในการก่อนเราได้เคยฆ่าน้องชายต่างมัดาเพราะเหตุแห่งทรัพย์ โดยจับเขาผลักลงในซอกเขาแล้วกลิ้งหิงทับเสียให้ตายด้วยผลแห่งกรรมนั้นพระเทวทัตจึงผักก้อนหินใหญ่หมายฆ่าเราให้ตายหินกลิ้งตกลงมาแตกกระทบนิ้วหัวแม่หัวแม่เท้าของเราจนห้อเลือด น, น็ท่านก็มีบุญของท่านนะบุญของท่านก็ทาให้อาบาปนั้นก็บรรเทาลงไปได้แต่ต้องใช้นี่ยังไงก็ หนีหนี้ไม่พ้นเพียงแต่ว่าท่านไม่ไม่ต้องถึงแก่ความตายแต่ท่านก็โดนเนี่ยทรมานนะพอสเก็ดหินมันมาโดนเนี่ยเท้าห่อเลือดจนกระทั่งเลือดมันช้ามันเสียอยู่ภายในเจ็บปวดทรมานหมอชีวกาต้องมาผ่าเอาเลือดเสียออกท่านถึงจะบรรเทาลงได้วันเนี่ยเนี่ยก็ต้องใช้หนี้นะอันนี้ที่ ท, ที่ตอนนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ย เป็นหนี้ของกายกรรมหนะ้าที่ไปทำเอาไว้ซึ่งอ่หรือในการก่อนเราเคยเป็นนายควานช้างได้สช้างไล่กวดพระปเจกับพุทธเจ้าพราะองค์หนึ่งในขณะที่ทรงกําลังเที่ยวบินทบาทแล้วจับมัดไว้แหมเหลือเกินนะนี่เหลือเกินจริงๆเลยโอ้ไม่รู้ไม่รู้ชาตินั้นท่านคิดยังไงนะ่เป็นนายควานช้างนะ คือไม่รู้นึกสนุกหรือว่านึกจะแกล้งเล่นยังไงเ็าไม่รู้ล่ะปากฏว่าคือก็เห็นพระรูปนึ่งเดินบิทบาตอยู่ก็ใสช้างไล่ไล่ไล่ไลกวดเลยะนะแล้วก็จับภิกษุนั้นมามัดเอาไว้แต่ไม่รู้ว่านั่นเป็นพระปเจกับพุทธเจ้าเนี่ยผลวิบากดูนะด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น ช้างนารากิรีที่ดุร้ายเมามันจึงวิ่นแร่งเข้ามาหาเราเพื่อจะทำร้ายเนี่ยเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่ทำไมช้างนารากิรีเนี่ยโดนมอมเหล้าอะ่ะให้เมาเสร็จแล้วก็พระเทวทัตนี่แหละก็จ้างคนเน่เอาพวกลาบยศสะะเรเสิอะไรไปล่ อ, อเขาให้เขาเนี่ยใส่ช้างมาเพื่อที่จะไล่ช้างให้มาทำาลายพระ เ, เจ้า เนี่ยมันมีที่มาทั้งนั้นนี่ก็คือการใช้หนี้ของผู้เจ้าดีที่ผู้เจ้าท่านบอกแล้วท่านก็มีบุญบา ร, รมีของท่านนาะช้างก็เข้ามาเรียกว่าพระอานุ์ยังชวนผู้เจ้าบอกหลบเหอะชวนหลบเลยน่แต่ผู้เจ้าไม่หลบเอ่อนะผู้เจ้าท่านก็มีฤทธิ์มีอนุภาพของคุณความดีเพราะั้นท่านก็ใช้เมตตาบา ร, รมีในการที่จะปราบช้างนาากิรีได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ย นั่หนี้ต่างๆถึงบอกว่าต้องโดนใช้แต่คนที่สะสมบุญบารมีมามากพอเคยยกตัวอย่างว่าเหมือนกับเราเนี่ยถ้าเราทํามาหากินมีทรัพย์สินเงินทองได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเราเราก็มีเงินมากเยอะเยอะเยอะเยอะขึ้นถ้าเจ้าหนี้เขามาทวงคืนเราเป็นลูกหนี้แต่เรามีเงินเยอะใช่ไหมก็มาทวงคืนเนี่ยเอาเรามีเงินเยอะแล้วก็ใช้ได้สบายใช่ไหม เราก็ไม่ไม่ค่อยต้องไปวิตกไม่ต้องไม่ต้องไปทุกข์ร้อนไม่ต้องไปมีปัญหาอะไรมากเพราะว่าเรามีทรัพย์ของเราอยู่เยอะตอนนี้คนที่ไม่มีอริยทรัพย์แล้วก็ไม่มีอะไรอะ่ะการสะสมบุญบารมีไว้มากพอเวลาเจ้าหนี้เขามาทวงหนี้คืนจากเราโดยเฉพาะหนี้บาปนี่นะโอ้โหจะลาบากมากเลย ลองคิดดูสิต้องใช้หนี้บาปด้วยเสร็จแล้วก็อปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนกรรมที่ที่เรากระทำอยู่<ม>ก็ไม่ได้ทำดีอีกอ่ะใช่ไหมไม่ได้สะสมบุญเอาไวน้นี่เพราะฉะนั้นโอโหทบนะ้่มันจะทบไปเรื่อยทบไปเรื่อยทบไปเรื่อย เ, เนี่ยลำบากมากเลยคนอย่างนี้เพราะอันนี้อยากอยากอยากฝากพวกเราในแง่คิดนะให้พวกเราเนี่ย ระวังให้ดีโดยเฉพาะเรื่องกายกรรมซึ่งเป็นกรรมหยาบกรรมหยาบนี่ก็จะโดนหยับหยาบหนักยิ่งขึ้นส่วนตอนนี้บัจจีกรรมอผู้เจ้ามีไปทำบัจจีกรรมบาปอะไรไว้บ้างนะลองดูนะในชาติอื่นในการก่อนนั้นเราเคยเป็นนักเลงชื่อปูนาลิได้กล่าวตูพระปัจเจ ก, กับพรเจ้าชื่อสุรพีผู้ไม่ประทุษร้ายใครๆเลย ด้วยผลแห่งกรรมนั่นเองเราต้องท่องเที่ยวอยู่ในนรกเป็นเวลานานได้เสวยทุกขเวทนาแสนสาหัสถึงหลายพันปีเป็นอันมากโอ้โหอันนี้ผู้เจ้าตัดเองเลยนะบอกโอ้โหบางคนเนี่ยนึกว่าเราแค่กล่าวตูเนี่ยแค่แค่พูดนะคราวนี้ดูนะคนละกรรมแล้วนะเราก็นึกว่าโว้นี่มันไม่ใช่กายกรรมนี่มันแค่วจีกรรม เราแค่พูดผิดพลาดบ้างเนี่ยพูดกล่าวตูกล่าวตูนี่คืออะไรฮะกล่าวตูว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เออก็เรื่องที่มปนจริงแต่มันไม่ใช่เรื่องแค่เป็นจริงธรรมดามันเป็นการใส่ร้ายเลยกล่าวตูที่แบบใส่ร้ายเพราะนั้นการที่เราเหมือนใส่ร้ายป้ายสีใครเขาอย่างเงี้ยเรานึกว่าโอ้ง่ายมากสบายมากเนี่ยยิ่งพวกนักการเมืองพวกไออะไรต่ออะไระนะ ที่ที่ที่คือเขาไม่ได้ศึกษาถ้าเขาศึกษาเนี่ยคิดดูสินี่ระดับพุทธเจ้าว่าแค่กล่าวตูนี่อดีตชาตินะว่าไปกล่าวตูกล่าวตูพระปัจเจกับพุทธเจ้าชื่อสุรภีเนี่ยดูสินีย่ยังต้องไปตกนรกตกนรกคำว่าตกนรกไม่ใช่ว่าแหมขุมไหนอะไรยังไงอยู่ใต้ดินมีกระทาทองแดงตกนรกในที่นี้มาถึงอะไร โอ้ย oh, จะต้องทุกข์ร้อนเพราะไอ้เรื่องเนี้ยไอ้เรื่องเกี่ยวกับการกล่าวตูเนี่ยคือจะต้องโดนคนเบียดเบียนจะต้องโดนคนทําร้ายเนี่ยดูนะเนี่ยเป็นหลายพันปีนะหลายพันปีนะไม่ใช่พันไม่ใช่พันเดียวนะหลายพันปีแค่ไปกล่าวตูเพราะประเจ ก, กับพุทธเจ้าแต่ตอนนี้มันอยู่ที่ตรงนี้ด้วยว่าการที่เราไปกล่าวตูใครเนี่ย น้ำหนักของบาปมันจะเพิ่มขึ้นตามความดีของบุคคลนั้นๆที่ที่โดนกล่าวตูเราไปกล่าวตูอะไรอ่ ะ, อะคนเลวคนไม่มีศีลอะไรอย่างเงี้ยก็บาปเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่บาปนะอ่าแต่มันบาปน้อยกว่านั้นไปกล่าวตูคนเลวนี่มันบาปน้อยกว่าอย่านึกว่าไม่บาปนะมันบาปน้อยกว่าเพราะว่าเราก็ไปใส่ไลายเขาเหมือนกันนะ่ะ อ่าแต่ตอนนี้ถ้าเขาเป็นคนดีขึ้นมาอะสมมุติว่าเขามีศีลขึ้นมาเงี้ยพอเราไปกล่าวตูใช้ ค, คําคนเดียวกันเลยไปกล่าวตูไปกล่าวใส่ร้า ย, ายปรากฏว่าคนนี้โอเคเขามีศีล น, นี่ยบาปแล้วหนักขึ้นคราวนี้ต้องใช้นี่ก้อนโตกว่าเดิมแล้วยิ่งพอไปกล่าวตูพระอริยะที่เริ่มเป็นโสดาสกิทาณาคาอะไรเป็นพระอรหันต์อะไรขึ้นไปเนี่ยยิ่งสูงขึ้นเท่าไหร่เนี่ยนี่เรายิ่งก้อนใหญ่ขึ้นตอนนั้นก้อนใหญ่ขึ้นตอนนั้น แม้แค่วัจีกรรมเนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยดูนะผู้เจ้าท่านก็บอกว่าเนี่ยก็ต้องใช้นี่นะโหต้องทุกเวทนาแสนสาหัสหลายพันปีเป็นอันมากแล้วด้วยผลกรรมที่เหลืออยู่นี่เศษของกรรมอีกนะยังไม่หมดด้วยซ้ำไปคิดดูขนาดใช้ไปตั้งหลายพันปียังไม่หมดนี่เลยยังมีเศษของกรรมในภพหลังสุดนี้หมายถึงภพที่เป็นพุทธเจ้าเนี่ยแหละ แม้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราจึงได้รับคำกล่าวตูใส่ร้ายของนางสุนทรีปริยภาชิกานะถ้าใครจำเรื่องนี้ได้คงจะรู้นางสุนทรีเนี่ยโดนพวกเดียรถีหลอกน่าหลอกใช้เพราะว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นพวกศรัทธาพวกเดียรถีพวกเดียรถีก็เลยให้มาหลอกใช้โดยที่ให้มาเข้าออกกุศของที่พักของพระพุทธเจ้าแล้วก็ ทำเป็นท้องวันเนี้ใครมาถามก็บอกเนี่ยเนี่ยท้องกับพุทธเจ้าเหมือนกับนางนั่นแหละจีนจะมาวิกาคือลักษณะเดียวกันแต่อันนี้อดีตชาติของผู้เจ้าทําบาปมาคนละเรื่องคนละคนละครนะไม่ใช่ครั้งเดียวกันเ อ, อ่คนละตอนแต่เนี่ยไปกล่าวตูเหมือนกันจนกระทั่งเนี่ยแล้วก็ต้องมาใช่นี่นะของนางจินจะมาวิกานี่ไปทําผิดอะไรเดี๋ยว ในนี้มีเหมือนกันบอกว่าไปทำผิดเนี่ยเพราะการกล่าวตูพระเถระนามว่านันทะสาวกข อ, ของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนโน้นผู้ครอบงำอันตรายทั้งปวงได้แล้วด้วยผลแห่งกรรมนั้นเราจรึงต้องท่องเที่ยวอยู่ในนรกสิ้นเวลานานถึงหมื่นปีนะสาวกสาวกหรือว่าพระเถระนี่ คือคือก็เป็นอะไรอ่ะพระอาหารหันต์รูปหนึ่งนะชื่อว่านันทะเนี่ยปรากฏว่าต้องต้องเที่ยวในโลกคราวนี้เนี่ยถึงหมื่นปีแม้ได้ความเป็นมนุษย์แล้วก็ยังต้องถูกกล่าวตูอีกเป็นอันมากดูหน้าโหต้องเดือดเนื้อร้อนใจเสร็จเกิดเป็นมนุษย์นี่ยังต้องโอ้โหโดนอีกตั้งเป็นหมื่นปีอ่าเป็นเป็นอะไรโดนโดนคนใส่ไล่อีกอีกเยอะแยะเลย และด้วยผลแห่งกรรมที่เหลือนั้นเนี่ยเศษเศษของกรรมที่เหลือนางกินจมามาบิกาอยู่ท่ามกลางหมู่ชนก็ได้กล่าวตูใส่ร้ายเราตถาคตด้วยคําอันไม่เป็นจริงเลยวันกรณีของนางสุนทรีกับนางกินจมามาบิกาใส่ไล่พระเจ้านี่แค่เป็นเศษของกรรมเศษของกรรมที่ไปกล่าวตู<ม>พระอริยะ พูดง่ายไปกาวตูภาริยะโอโหชดใช้อ่ชดใช้ยาวนานแล้วก็แสนสาหัสเหลือเกินเพราะวัดจีกรรมเนี่ยหลายคนบางทีชอบนึกว่าไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากระวังเถอะไอ้ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากเนะี่ยคุณเจ็บตัวไม่รู้ตัวเลยหละโดยที่ไม่รู้ว่านี่นี่เป็นผลของวัจีกรรม